เรื่องวิญญาณกลิ่นดอกกุลาบแปลจากนิตยาสารเฟสป ร, ระจำเดือนเมษายนคริสตศักราช1970คลิ่นดอกใดยังใหเกิดสุขที่เสียงความหมายเป็นคำเอ่ยแทนหัวใจ ใอกไหนให้ตรงกับใจของฉันแต่ถ้าใครทาว่าฉันจะมอแพ่กับใครคงได้แค่แอบฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อ Betty b ต t t ้บี a l l เธอเป็นคนที่ชอบกุหลาบมากเป็นพิเศษ ในสวนหลังบ้านของเธอมีดอกกุหลาบปลูกไว้เป็นจำนวนมากและมีอยู่ทุกสีนับตั้งแต่สีขาวบริสุทธิ์ไปจนถึงสีแดงเข้มที่สุดดังนั้นเมื่อฉันไปเยี่ยมเธอครั้งใดก็จะได้กลิ่นกุหลาบหอมตลบอบอวนไปหมดเมื่อปี1966ครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในเมืองโคววนาแคลิฟอร์เนียในระหว่างเวลานั้นฉันได้ไปเยี่ยมเธอเสมอ และเราได้สนทนาและรื่นเริงกันอย่างสนุกสนานเบ็ตตี้เป็นคนที่มีนิสัยใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้ผู้ที่เข้าใกล้เธอได้รับความอบอุ่นและเป็นสุขใจเราสองคนเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมากและรู้จักนิสัยใจคอของกันและกันดีวันหนึ่งเบ็ตตี้ได้เอ่ยขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยและด้วยท่าทางเอาจิงเอาจังโดยกล่าวว่า นี่นะแพตตี้ฉันเชื่อว่าจะไม่มีอะไรมาทําลายมิตรภาพของเราได้ไม่มีแม้กระทั่งเวลาระยะทางและความตายฉันหัวเราะและได้พูดสรพยอกับเธอว่าคิดมากไม่เข้าเรื่องเพราะว่าความตายควรจะเป็นเรื่องของคนแก่ที่เบื่อโลกมากกว่าไม่ใช่เรื่องที่คนที่มีอายุในวัย30อย่างเราจะเก็บมาคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อเรากําลังมีความสุขสดชื่นและฝันถึงอนาคตอันแจ่มใส ดูเหมือนว่าเบ็ตตี้ก็จะเห็นด้วยตามที่ฉันพูดแต่เธอก็ยิ้มอย่างเศร้าๆพิกลในตอนนั้นทั้งๆที่เป็นวันที่มีอากาศร้อนฉันรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาในหัวใจอย่างประหลาดต่อจากนั้นมาอีกสองสสัปดาห์เบ็ตตี้ก็เริ่มมีอาการซูบซีดและผายผอมลงเรื่อยๆฉันได้ทราบจากเฟร็ดผู้เป็นสามีของเธอว่า เบตตี้เป็นมะเร็งในสมองและแพทย์ได้บอกว่าไม่มีทางเยียวยาได้แล้วเราทั้งสองคนคือเฟร็ดสามีของเธอกับฉันต่างกล่าวว่าครั้งแรกเมื่อได้ทราบข่าวนี้ก็แทบไม่เชื่อหูตนเองแต่ในที่สุดเราก็ยอมรับความจริงด้วยความปวดร้าวหัวใจก่อนที่จะถึงวันมรณะเล็กน้อย เบตตีผู้ซึ่งบัดนี้ได้รู้ถึงชะตากรรมของตนเองดีแล้วได้สั่งเสียกับชั้นว่าพัตตี้จ๋าอย่าลืมเอาดอกกุหลาบโปรยลงบนหีบศพของชันให้มากๆด้วยนะจ๊ะฉันต้องการดมดอกกุหลาบนั้นเรื่อยๆในระหว่างที่ชันกำลังเดินทางไปสู่สวรรค์และในที่สุดเบตตีก็จากเราไปจริงๆเมื่อวันที่9เดือนมิถุนายน1966โดยมีอายุได้เพียง34ปีเท่านั้น การที่เราได้เป็นเพื่อนสนิทสนมกันมาเป็นเวลานานและเข้าใจกันดีตลอดมาทำให้ฉันลืมเธอไม่ลงแม้ว่าจะได้พยายามลืมแล้วก็ตามบ่อยครั้งฉันปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปว่าเบ็ตตี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในสวรรค์จริงๆโดยอาจจะกำลังมีความสุขกว่าพวกเราในโลกนี้ก็ได้ครั้นแล้ววันหนึ่ง ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเหลือเชื่อแก่ฉันเป็นเหตุการณ์ซึ่งทำให้ฉันแน่ใจว่าเบ็ตตี้เพื่อนรักของฉันได้ส่งข่าวมาให้ฉันทราบจากโลกอื่นที่เขามีชีวิตอยู่วันนั้นเป็นวันศุกร์ที่14เดือนตุลาคมเวลาประมาณสี่ทุ่มซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่เธอได้ละจากโลกนี้ไปประมาณสี่เดือนฉันกาลังนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านแต่ในขณะเดียวกันความคิดก็อดที่จะล่องลอยไปถึงเบ็ตตี้ไม่ได้ ฉันยังจําได้ว่าวันนี้เองเป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอความหดหู่ในใจเมื่อนึกถึงเบ็ตตี้ทำให้น้ำตาของฉันไหลซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นเองก็ปรากฏว่าฉันได้กลิ่นกุหลาบโชยมาเข้าจมูกอย่างแปลกประหลาดครั้งแรกก็เป็นกลิ่นหอมอ่อนแต่ต่อมาก็รุนแรงขึ้นทุกทีจนกระทั่งฉันเกือบสาลัก ในขณะนั้นจิตใจของฉันรู้สึกสับสนและว้าวุ่นไปหมดได้พยายามคิดหาเหตุผลว่าอาจจะเป็นกลิ่นกุหลาบที่มาจากแห่งใดแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าตามความเป็นจริงก็ไม่มีใครปลูกกุหลาบแถวนั้นเลยและโดยทั่วไปก็กล่าวได้ว่าในระหว่างเดือนตุลาคมเช่นนี้จะไม่มีดอกกุหลาบบานอยู่ที่ใดเลย ฉันได้วิ่งไปที่หน้าต่างรีบเปิดออกและหายใจเข้าปอดอย่างเต็มที่อากาศข้างนอกในตอนนั้นก็ปรากฏว่ามีหมอกเต็มไปทั่วบริเวณกลิ่นที่อยู่ภายนอกห้องก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากกลิ่นของหมอกเท่านั้นทันใดนั้นเองฉันก็เข้าใจถึงต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างดีฉันเชื่อแน่ ว, ว่าในขณะนั้นเบ็ตตี้คงมาเยี่ยมฉันแล้วและคงอยู่ในห้องนั้นอย่างแน่นอน แต่ว่าฉันไม่อาจเห็นเธอได้เท่านั้นกุหลาบเคยเป็นกลิ่นประจําตัวของเธอเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เช่นใดบัดนี้มันก็เป็นสัญลักษณ์ของเธอเช่นนั้นเบ็ตตี้ได้ใช้กลิ่นนี้เองเป็นเครื่องบอกให้ฉันทราบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกเหมือนเช่นเดิมและมิตรภาพระหว่างเราทั้งสองก็ยังคงมีอยู่โดยไม่มีสิ่งใดมาทาลายล้างได้แม้กระทั่งความตาย แต่เรื่องยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ดังกังวานขึ้นทําให้ความคิดของฉันซึ่งกําลังล่องลอยไปไกลต้องกลับเข้ามาสู่โลกนี้ตามเดิมเมื่อฉันยกหูโทรศัพท์ขึ้นก็ได้ยินเสียงเฟร็ดสามีของเบ็ตตี้พูดมาตามสายด้วยน้ําเสียงอ um ันส <themselves> ั่นเทาแสดงความตื่นเต้นอย่างยิ่งเฟร็ดกล่าวว่า นี่นะคุณแพตตี้ครับผมมีเรื่องไม่น่าเชื่อจะบอกคุณคุณเชื่อไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยเบตตี้มาหาผมที่ห้องเพราปรากฏมีกลิ่นกุหลาบอย่างรุนแรงหอมตลบไปหมดทั้งห้องเหมือนกับว่ามีใครยกเอาสวนกุหลาบทั้งสวนมาตั้งไว้ในห้องของผมนะ่จบเรื่องวิญญาณกลิ่นกุหลาบแพทริเซียริบบี้แคลิฟอร์เนีย